ไม่ทราบว่าจะทําถูกไหมไม่ทราบว่าจะทําถูกไหมคําถามเนี้ยบ่งบอกถึงว่ามีตัวเราเนาะบ่ ง, งบอกถึว่ามีตัวเราเราทําถูกไหมไอตัวเรานี่เป็นอะไรก็เป็นสังขารเกิดดับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รู้ถึงว่าไอที่ที่มันมีตัวเราอยู่เมื่อสักครู่เนี้ยก็คือให้รู้ด้วยเหมือนกับว่าให้รู้ว่า ไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นสังขารที่เกิดที่ดับเหมือนกันก็คือต้องทิ้งไปนะทิ้งไปก็คือไม่มีไม่มีใครหลงไปยึดถือตัวเรา ม, มันละเอียดนะแต่ว่าน่าจะเข้าใจได้เนาะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เออ<ๆ>ข้าใจเจ้ค่ะ พ, อ, พอเมื่อกี้หลวงพ่อชี้บอกว่ามันยังมีตัวเราอยู่เนา ะ, ะถ้ามีตัวเราก็แสดงว่าจรงิจรงๆตัวเรามันก็คือสังขารเกิดดับนั่นแหละเพียงแต่ให้เห็นตัวเราเมื่อกี้เนี่ยเอาว่เป็นสังขารเกิดดับแค่รู้ว่าสังขารเกิดดับแค่เนี้ความเป็นตัวเราก็จะหายไป ก็ค okay. คืออันเนี้ยเอกจะเหมือนจะโยงโยงมากับชีวิตทางโลกในปัจจุบันทางโลกที่เราต้องพบเจอผู้คนพบเจอที่แบบจะเรียกว่าเหมือนกับสิ่งกระทบที่อยู่ตรงหน้านะปัจจุบันนะเจ้าค่ะคือเหมือนกับจะรู้ว่าตอนนี้รู้สึกอะไรแล้วพอรู้พอเราเรารู้ว่าเราจิตรู้ว่าแบบตอนเนี้ยเป็นความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็เราก็เหมือนกับว่าตัด ตัดได้เจ้าค่ะอย่างเช่นเอาเอาง่ายๆคืออย่างสมมติไปเจอคนที่อาจจะพูดไม่ดีใส่เราอย่าเงี้ยเจ้าค่ะก็ก็จะจ ะ, จะทราบว่าอ่าตอนนี้จิตเรารู้สึกเหมือนเหมือนจะมีโทสะนะคือเราผัสสะผ่านหูมาว่าเราได้ยินในคําพูดที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เหมาะสมจากจากบุคคลผู้นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ ะ, คะเราแต่ว่ามันก็คือพอรับรู้ปุ๊บแล้วมันก็ตัดได้แล้วมันก็ปล่อยแล้วเราก็ไม่คือเหมือนกับไม่ไม่ได้มีการ โตตอบหรือไม่ได้มีการแบบอไปไปไปประทะไปโต้ ย, ย่างหรือไปแล้วก็คือแค่ปล่อยปล่อยวางแล้วมันก็ดับไปแล้วเอ้โทรศไอ้โทรศัอันนั้นที่เราสัสมผัสดได้ตอนแรกมันก็หายไปเจ้าค่ะแล้วใครรู้ว่ามันหายไปใครรู้ว่าตัดได้เนาะตรงเนี้ยอันนี้ก็ยังมีตัวเรา <c oughs> เป็นผู้รู้เนาะ ผู้รู้ว่ามันตัดได้มันตัดได้ ม, ดไดมันวางได้ตรงนี้ก็ยังมีตัวเราอยู่เพราะนั้นให้รู้ตัวเราว่าตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันก็เป็นสังขารเกิดดับเหมือนกันให้รู้มาที่ตรงนี้เนาะเพราะว่าที่ที่เล่าเนี่ยเหมือนกับว่าเอาตัวเราเนี่ยไปเล่าเหตุการณ์เนาะไปเล่าเหตุการณ์ว่าเออไปอยู่ต่อหน้าผู้คนอย่างนั้นอย่างเนี้ยตรงที่เล่าเนี่ย ตรงที่เล่าเนี่ยเล่าในปัจจุบันเลยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยยังเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นรู้ให้รู้ว่าไอตัวเราพูดเล่าเนี่ยมันก็เป็นสังขารเกิดดับแล้วก็ไม่ยึดถือตัวนี้หลวงพ่อแบบพูดกันแบบถอนรากถอนคนเลยนะค่ะจค่ะ ถ, ถ, ถ้าตามทันก็ก็ทันถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรคุยไปเรื่อยๆแต่ถ้าตามทันปับ๊บมันก็จะเห็นเลยว่า๊ โอมีตัวเราเนี่ยมีตัวเราเป็นผู้รู้เหตุการณ์ว่าเวลาเราไปอยู่ในที่อย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ตัวปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่เห็นนะไม่เห็นว่าถ้าถ้าไม่เห็นในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเราผู้ผู้เล่าผู้จําได้แล้วเอามาบอกแต่ถ้าเห็นตัวเนี้ยตัวที่กําลังเล่าตัวที่มาบอกว่าอ่าถ้าเห็นในปัจจุบันนะเห็นว่าไอตัวที่เล่าไอตัวที่มาบอกเนี่ยเอ้า ไอ้ตัวนี้ก็มันเป็นของเกิดดับเหมือนกันแล้วก็วางลงคือแค่รู้ว่ามันเป็นแบบแค่เนี้ยมันก็ไอ้ตัวไอ้ตัวเราที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันก็ล่วงไปคือมันไม่เป็นตัวตนแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันมันว่าไปเลยอ่ะมันหายไปเลยความเป็นตัวตนอันนี้เป็นปัจจุบันสุดๆเลยีนหลวงพ่อกําลังโคตเจ้าค่ะ ก็คงอาจจะงงนะเพราะว่ามันเป็นอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้แหละถ้าคนอื่นฟังเนี่ยบางทีคนถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเอ้ยไอธรรมะหลุดพ้นนี่นะมันเป็นหลุดพ้นปัจจุบันนี่หลุดพ้นต่อเมื่อรู้ตัวเราว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นสังขารมันไม่ได้เป็นตัวเราที่แท้จริงพอรู้ปั๊บมันความเป็นตัวเราก็หายไปเลยเจ้าค่ะเวลาที่โยมฟังโยมฟังหลงพ่อโยมโยมเข้าใจแล้วก็แบบ เข้าใจนะตอนฟังเนแต่ว่าเวลาที่ที่พูดถ่ายทอดออกมาบางทีโยมใช้คําพูดไม่ค่อยจะถูกแต่ว่าถามว่าฟังเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจคือแบบเก็ดเลยแหละแต่ว่าตอนอธิบายโยมอาจจะพูดไม่ค่อยจะเข้าถูกเท่าไหร่อะจังก็ไม่เป็นไรหรอกตรงนั้นก็โอเคเป็นส่วนประกอบที่ทําให้หลวงพ่อได้มามาชี้บอกกันนะแล้วก็พอโยมส่วนว่าไปไปไปฟังซ้ําเนาะ ในประเด็นของโยมบางอย่างอาจจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าบางทีระหว่างพูดคุยโต้ตอบเนี่ยมันมันต้องใช้ความคิดบ้างมันอะไรบ้างก็เลยมองไม่เห็นตัวเองแต่พอเราไปฟังซ้ำเนี่ยเป็นผู้ฟังใช่ไหมเป็นผู้ฟังแล้วก็ก็จะเข้าใจในเรื่องที่หลวงพ่อตอบเมื่อสักครู่เนี่ยงั้นก็ติดตามเนาะฟังซ้ำอีกทีหนึ่งได้เหลายทีก็ได้หลายทีก <laughs> <ๆ>็ได้โยงอาจจะอะไรนะอ่ อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะปัญญาอาจจะยังยังไปไม่ถึงเจ้าค่ะก็ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยอย่างอย่างพูดเองนะเนี่ยบอกโยมยังปัญญาไปไม่ถึงอ่ะเพราะในในคําสอนพระพุทธเจ้าเนาะมันไม่มีมันไม่มีเราเนาะแต่พอพอหลงไปเนี่ยมันหลงไปก็บอกว่าโยมปัญญาไม่ถึงเนี่ยลึกๆเนี่ยลึกๆเนี่ยมันเป็นโรมจริงๆคือเป็นเราจริงๆริงแต่ถ้ารู้ทันว่าเมื่อกี้เนี่ยพูดไปว่า เรามีปัญญาไม่ถึงเนี่ยปับ๊บมันจะเห็นเลยว่าไอตัวเราที่พูดเนี่ยมันเป็นสังขารมันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วมันก็ต้องดับแน่นอนเห็นไหมคือมันพลิกเปลี่ยนไงพลิกเปลี่ยนจากอัตามาเป็นอนัตตาใช่ไหมแต่พอเราลืมไปเนี่ยเห็นไหมมันเป็นตัวเราจริงๆนะเมื่อกี้บอกโยมยังไปไม่ถึงเห็นไหมมันรู้สึกว่าเป็นตัวเราร้อเปร์ถูกไหม ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วโยมต้องพูดยังไงเจ้าคันย์อ๋อคือพูดเหมือนเดิมั้งแหละแต่ว่าแต่ว่าหลวงพ่อจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยมันแบบโยมโยมบอกโยมยังปัญญายังไปไม่ถึงตรงเนี้ยชี้ให้เห็นว่าองเรายังไปไม่ถึงแต่ถ้ารู้ตัวเราในปัจจุบันเนี่ยมันจะรู้เลยว่าอ้าวไอ้นี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดถ้าเป็นสิ่งที่เกิดมันก็ดับอ้าวการแสดงว่ามันเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่เราตรงเนี้ยทาให้ความ หลุดพ้นเนี่ยความปล่อยวางเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะพอจําสภาวะนี้ได้ต่อไปเวลาเราพูดว่าเรายังไปไม่ถึงเราปฏิบัติยากมากมันจะรู้เลยว่าอ้าวอ้าหลงอีกแล้วจริ ง, รงๆเราไม่มีเนี่ยแต่มันพูดไปได้อย่างไงว่าเรายังปฏิบัติไม่ได้เนียมันจะเห็นมันจะรู้ทัน <c oughs> เออเออเนี่ยอย่างเนี้ยต่อไปเนี่ยพอยมพูดปั๊บเช่นบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อพูดอะไรไมันรู้เราฟังไม่เข้าใจเลยเอามันนึกขึ้นได้ว่าอ้าหลงอีกแล้วหลงไปเป็นเราอีกแล้วทั้งๆั้งที่เราไม่มีเนี่ย มันก็พิกเปลี่ยนจากจากหลงมาเป็นรู้คือรู้ถูกต้องว่าจริงๆเราไม่มีแต่ที่พูดไปงั้นเมื่อกี้มันหลงจริงๆอะ่ะหลวงพ่อเล่าประสบการณ์นะให้โยมลองพิจารณาดูซึ่งอาจจะโยมเห็นตามได้เนาะหลวงพ่อไปกราบอาจารย์นะอาจารย์ถามว่าเป็นไงท่านออสหลวงพ่อชื่ออสอนะ่ะเนาะเป็นไงท่านออสปฏิบัติแบบไหนมาตอนเนี้ยหลวงพ่อก็บอกว่าก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนนะนะั่นแหะ โอ้ยทันชี้หน้าเลยทันชี้หน้าเลยบอกในตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้ก็หมายถึงว่าให้ให้ให้พิจารณาในคําที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยทีนี้มันไหวทันไงโอ้มันมันตื่นเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพูดไปจากอัตตาว่ายังมีตัวตนคือยังมีตัวหลวงพ่อเนี่ยปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนตอนนั้นน่ะตอบด้วยความเป็นตัวตนจริงๆอ่ะ แต่ว่าพออาจารย์ชี้หน้าปั๊บมันตื่นเลยว่าเอ้าเมื่อกี้หลงไปว่ามีตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติเพราะก่อนนั้นมันเข้าใจแล้วว่าไม่มีตัวเราใช่ไหมเมื่อไม่มีตัวเราแล้วใครจะไปปฏิบัติละ่ะแต่ดันไปต่อว่าปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนโอ้โหพอท่านชี้หน้าปั๊บตื่นเลยพลิกเลยจากอัตตาเป็นอนัตตาทันทีเลยเนี่ยมันไว แต่ทีนี้ถ้าถ้าคนคถ้าคนที่เขายังไม่ไวตรงนี้เขาเขามองไม่ออกนะว่าเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยมันหลงตรงไหนแต่ถ้าพอมีประสบการณ์ปั๊บยิ่งมีคนชี้ปั๊บมันจะจะตื่นรู้ได้เร็วแล้วมันก็จะพลิกจากอัตราเป็นตัวตนหลวงพ่อขยายวความก็ได้ อ, อ, อ, อัตราแล้วหลวงพ่อขยายความเรื่องอัตรานิดหนึงพอถูกถามว่าท่านออสปฏิบัติแบบไหนมา เห็นไหมคำพูดเหล่าเนี้ยถ้าไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นอัตตาไปหมดเนาะมีเขามีเราเนาะอืมแล้วพอต่อปับ๊บบอกก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนนะก็ก็หมายความว่าไงก็หมายความว่ามีตัวผมมีตัวผมเนี่ยผมเป็นผู้ปฏิบัติตามอาจารย์สอนอันนี้เขาเรียกว่าอัตตาแต่พออาจารย์ชี้ปับ๊บนี่เลยนี่เลยปับ๊บโอ้โหมันมันมันไหวทันไงมันเปลี่ยนเลยว่าโอ้หเมื่อกี้หลงไปเป็นอัตตาพอรู้ว่าหลงไปเป็นอัตตาปับ๊บมันก็เปลี่ยนเป็น เป็นหายหลงก็คือรู้ว่าอนัตตาคือไม่ไม่ไม่มีเราเป็นผู้ปฏิบัติแต่มีการเดินการนั่งเหมือนเดิมอะแต่ไม่มีเราเป็นผู้ปฏิบัติตรงงนี้มันก็เลยหลุดพ้นจากความหลงผิดให้เป็นความเข้าใจถูกแล้วมันแบบว้าบเลยนะอ้าวแล้วต่อมาอีกนะพอพอพอหลวงพ่อตอบไปพอเดี๋ยนะเป็นกันตอนพอพออาจารย์ชี้บอกว่าตรงนี้เลยตรงนี้เลยปั๊บ เอามันก็รู้ทันคือมันตื่นรู้แบบฉับพลันมากเนาะรู้ทันพอรู้ทันเสร็จแล้วแบบมันสว่างสวยอะนะมันวาบเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดอีกว่าเข้าใจแล้วครับอาจารย์ก็ชี้อีกชี้อีกพอชี้อีกก็รู้ทันอีกแล้วก็มันรู้ได้เหมือนกันที่บอกว่าเข้าใจแล้วเนี่ยมันตอบด้วยอัตตาเหมือนกันคือตัวตนไปตอบว่าเราเข้าใจแต่พออาจารย์ชี้หน้าปั๊บมันพลิกอีกแล้วว่าไอ้ที่บอกว่า เข้าใจเมื่อกี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันก็เป็นสังขารมันไม่ใช่อัตตาหรอกมันเป็นสังขารความเข้าใจอันนั้นก็เลยมันก็เป็นแค่เข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้เข้าใจนี่คือความไวของการความเาเรียกว่าความไวต่อการตื่นรู้เมื่อมีคนมาชี้บอกแต่เรื่องพวกนี้มันก็ไม่ใช่ว่าใครๆก็จะตื่นรู้แบบนี้ได้มันอยู่ที่สติปัญญาด้วยเพราะว่าถ้าไม่ชำนาญมันก็ตื่นไม่ได้มันก็ตื่นรู้ไม่ได้ อันนี้หลวงพ่อก็เลยมาชี้มาเล่าประสบการณ์ที่สําคัญสําคัญที่ก็เรียกว่ามันพลิกเปลี่ยนแบบฉับพลันแบบเร็วอ่ะทีนี้พอขั้นตอนพอบอกว่าเข้าใจเนาะอาจารย์ก็ชี้หน้าชี้หน้าเสร็จมันก็พลิกเปลี่ยนคือเข้าใจถูกว่า อ, อ๋อเมื่อกี้หลงไปว่าเป็นอัตตาคือเป็นตัวเราพอถูกชี้ปับ๊บมันเปลี่ยนเป็นอ๋อก็เป็นสังขารไม่ใช่เราเป็นผู้เข้าใจ พอทันกันอย่างนี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็โอเคเห็นว่าตามทันแล้วอาจารย์ก็คุยเรื่องอื่นเป็นปกติส บ, สบายสบายแล้วเออเพนั้นเรื่องเนี้ยก็เลยมามาแชร์กันตัวอย่างของโยม <c oughs> โยมบอกว่าก็โยมปัญญามันไปไม่ถึงหลวงพ่อจำไม่ได้พูดอะไรนะแต่ทํานองอย่างนั้นนะเห็นไหมไอ้ตรงบอกว่าโยมยังยังทําไม่ได้ตรงเนี้เขาเรียกว่ามันออกมาจากอัตตาเนาะแต่ถ้ารู้ทันปั๊บมันจะรู้เลยว่าเอ้าเมื่อกี้หลงไปเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ ที่แท้เนี่ยมันก็คือสังขารนั่นเองคือเป็นสิ่งเกิดดับพอเข้าใจถูกแค่เนี้ยไอความเป็นอัตตาความเป็นตัวตนก็หายฟ้าไปเลยหายฟ้าไปแต่ว่าตอนหลังมันก็อาจจะมีตัวตนเกิดมารองรับอีกก็ค่อยๆรู้ทันเพราะว่ามันเริ่มได้ทางแล้วมันเริ่มรู้จักแล้วแล้วต่อไปพอหลงไปเป็นอัตตาปั๊บมันก็จะรู้ทันแล้วก็มันจะพลิกเปลี่ยนเป็นอนัตตาในฉับพันทันทีเลยแล้วตรงนั้นเราจะสนุกมากเลยเพราะว่ามันเป็นจุด จุดเขาเรียกว่าจุดหลุดพ้นกันเลยอ่ะพอเข้าใจอย่างนี้ยหลุดพ้นหลุดเจ้าเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ยมก็กําลังสนุกกับตัวเองคือยมงงตรงที่เมื่อกี้ท่านหลวงพ่ออ๋อได้เล่าที่บอกว่าพอท่านหลวงพ่อถามอ่ะเจ้าค่ะแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ได้ตอบอย่างที่ท่านหลวงหลวงพ่อตอบแล้วจะตอบท่านว่ายังไงเจ้าค่ะอ๋อเออเดีมากที่ถามเนาะเอาสมมติว่าหลวงพ่อแบบไปแบบช้าๆเนาะอาจารย์ถามหลวงพ่อว่า เป็นไงท่านออดปฏิบัติแบบไหนมาเนี่ยแล้วจริงๆไอ้ตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่าเป็นการพูดคุยแบบสมมตินั่นแหละคือต้องเรียกเรียกเรียกเรียกเรีย ก, ยกชื่อกันนะเนาะเออเอาสมมติมาใช้แต่เรื่องเนี้ยมันอยู่เหนือสมมุติไงอยู่เหนือสมมุติก็คือว่ามันไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมันมีแต่สิ่งที่เกิดมีแต่สิ่งที่ดับหรือเรียกอย่ว่ามีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิด มันไม่มีมันไม่มีท่านออสยังไม่มีไม่มีอาจารย์เลยนะแต่ที่มันมีเนี่ยเขาเรียกว่าสมมติขึ้นมาแต่หลวงพ่อเนี่ยเหมือนกับว่ามันไปหลงไปหลงสมมติว่ามีตัวหลวงพ่อจริงๆแล้วหลวงพ่อเขาไปปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนแต่ถ้าเข้าใจถูกเพราะตอนเนี้ยระหว่างเนี้ยคืออาจารย์เนี่ยท่านเขาเหมือนกับว่าจะชี้ต่อ ย, ยอดในทางปัญญาถึงแม้ว่าปากจะพูดแบบสมมติสมมตนะิน่ะ แต่เรื่องสภาวะธรรมเนี่ยมันจะต้องว่องไวปัดเปียวเพราะว่าปกติครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไม่ค่อยคุยเล่นหรอกเขาคุยแต่เรื่องอสู่วิมุตตหลุดพ้นคือพ้นทุกข์ในปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ถามว่าเมือ่อกี้ท่านออดปฏิบัติแบบไหนหลวงพ่อก็ตอบแบบมีตัวตนไงก็ผมปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนหลยอาจารย์สอนอยังไงผมก็ปฏิบัติตามนั้นะ่ะเห็นไหมมันมีตัวผมขึ้นมามีตัวตนขึ้นมาแต่พออาจารย์ชี้อีกทีนึง ที่เปี่ยงบอกตรงนี้เลยตรงนี้เลยปับ๊บโอมันพลิกเลยพลิกว่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมันเอาตัวตนมาบอกอาจารย์ว่าปฏิบัติแบบเนี้ยพอมันรู้ทันว่ามันมีตัวตนปับ๊บมันก็พลิกเปลี่ยนเป็ น, เ ป, นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่มีผู้ปฏิบัติอาจจะยังงองอีกเนาะก็คือไม่เจ้าขานุดเออไอ้งงตรงที่ว่า อย่างถ้าเป็นคําถามแบบเนี้ยคือถ้าถ้าเราเจออันนี้ในชีวิตจริงๆอะเจ้าค่ะถ้าเราเจอคําถามอย่างเงี้ยแล้วเรา อ, อย่างท่านถามว่าอ่ะปฏิบัติทางไหน ม, มันก็เหมือนกับแล้วเราจะตอบยังไงอะไรอย่างาเเอเข้าใจาแล้วเออลราเข้าใจแล้วแล้วห ล, งลวลงพ่อจะตอบพอหลวงพ่อรู้ตัวปุ๊บโอ้อะไรอย่างเงี้ยที่หลวงพ่ออธิบายแล้วแล้วสรุปหลวงพ่อจะต้องตอบไหมเจ้าค่ะหรือว่าอโอ้หลวงพ่อเข้าใจแล้วนะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีมันมีเขาเรียกว่าชีวิตแบบ เขาเรียกว่าแบบสมมติแบบโลก<า>โลกโล ก, กับทางธรรมะเนาะอ่าคือตรงเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราเริ่มจับทางได้ไงว่าบางทีถ้าเราคุยทางโลกนะสมมุติว่าตอนเนี้ยเราเรามาคุยเรื่องสื่อสารเรื่องชีวิตความเป็นอยู่แบบทางโลกใช่ไหมเราก็ต้องใช้สมมติเต็มที่เลยเนาะใช้สมมติเต็มที่เลยมีฉันมีเธอมีเรามีสุขมีสบายมียึดมีไม่ยึดคือพูดกันแบบชาวบ้านเลยอย่างเงี้ยไอ้นั้นก็คือเรียกว่าคุยทางโลก แต่ทีนี้เรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าจับทางว่าอาจารย์เนี่ยต้องการคุยแบบทางโลกหรือแบบทางธรรมะเราจะมีปฏิพานไหวพริบได้เร็วมากเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์เนี่ยสมมติว่าอาจารย์ถามว่าเป็นไงท่านอรอดปฏิบัติแบบไหนมาหลวงพ่อก็บอกว่าเขาปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนนั่นแหละอาจารย์สอนว่ายังไงก็ปฏิบัติตามนั้นเช่นสอนให้เห็นสังขารอะไรเนี้ยเนาะหัดรู้ไปเราก็พูดแบบโลกโลกโลกโลก แต่ถ้าอาจารย์ดักคอเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเนี่ยเยอาจารย์ต้องต้องให้เราเข้าใจธทางธรรมะแล้วเราก็ต้องพลิกพลิกตามให้ทันว่าเจตนาของอาจารย์เนี่ยคือแบบไหนใช่ไหมทีเนี้ยอย่างอย่างสมมุติว่าหลวงพ่อนะสมมุติว่าคุยกับโยมอย่างเนี้ยตอนเนี้ยช่วงบงนี้มันเป็นเรื่องของคุยธรรมะใช่ไหมล่ะหลวงพ่อก็ต้องต้องเหมือนกับยี่ต้องต่อยอดในทางปัญญาต้องจอยจี้จุดนะเพื่อให้พลิกเปลี่ยนว่าตอนนี้กําลังคุยธรรมะอยู่ แล้วถ้าโยมตามไม่ทันนะโยมก็งงอย่างที่โยมงงแหละโยมโยมตอบอย่างนี้ทำไมมันไม่ได้ไม่ได้ก็โยมตอบแบบโลกไงแต่หลวงพ่อกำลังตอบแบบธรรมะจี้แบบธรรมะอยู่เนี่ยเออเพราะนั้นมันจะต้องมีปฏิพันธ์ไหวพริบว่าคู่สนทนาเนี่ยเขาต้องการคุยเรื่องเรื่องแบบโลกหรือแบบแบบธรรมะขั้นสูงเราก็ต้องค่อยๆดูไป ถ, ถ้าถ้าแยกกันไม่ได้นะเดี๋ยวทะเลาะ ก, กันตายเลย <laughs> <laughs> ใช่ไหมใช่แล <laughs> <laughs> ้วค <c oughs> ่ะย ง, งงเพราะว่าถ้าสมมติได้ถ้าทางโลกอ่ะเราก็จะตอบตอบคําถามนั้นแบบทางโลกใช่ไหมเจ้าคะแต่ว่าถ้าเป็นทางธรรมแบบพอท่านหลวงพ่อออสเกตปุ๊บว่าเนี่ยท่านท่านท่านพระอาจารย์ถามคำถามโยนมาเป็นทางธรรมอะ่ะก็คือท่านก็ต้องอยังไงคะนิ่งหรือว <laughs> <laughs> ่า<ะ> <c oughs> โย่ก็เคยเคยดูนี่ หนังเรื่องตักมอเนาะเดี๋ยวหลวงพ่อเล่าย่อนนิดหนึ่งคือหลังจากที่ตักมอเนี่ยมาเผยแผ่ธรร ม, มะที่เมืองจีนเนาะแล้วก็มาอยู่กันไม่รู้นานเท่าไหร่แต่ว่าตอนหลังอาจารย์ตักมอก็จะกลับแล้วแต่ท่านก็เหมือนกับว่าอยากจะดูว่าลูกศิษย์เนี่ยมีความเข้าใจธรร ม, มะแค่ไหนอย่างไงนะก่อนที่ตักมอจะกลับอินเดียเนาะเออท่านอยู่ชมพูทวีปแล้วก็ก็ตอนนั้นในหนังเนี่ยมันจะมีอยู่สัก สคนมัน้งแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยไหนลองอธิบายที่ว่าเข้าใจธรรมะแค่ไหนเนาะไอคนที่1ก็อธิบายไปหลวงพ่อจำรายละเอียดไม่ได้นะแต่ก็มีการอธิบายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้และคนที่2ก็อธิบายว่าเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนที่3ก็อธิบายไปว่าเข้าใจอย่างนี้ตักหมอก็ดูแล้วว่าอ๋อที่อธิบายมาบางคนก็อาจจะก้าวหน้านิดนึงแต่นิดเดียวนิดเดียวแต่พอคนสุดท้ายเนี่ยชื่อว่าหุ้ยเคอมั้ง ปุ้ยเคยไม่พูดสักคําเลยแค่มายืนแล้วก็กราบไม่พูดสักคําเดียวนะตักหมอก็เลยเห็นว่านี่แหละคนเนี้เข้าถึงธรรมเนาะคนเนี้เข้าถึงธรรมแล้วไอ้คนที่คนที่ก่อนหน้าเนี้ที่ได้พูดไปแล้วว่าตัวเองรู้ธรรมะยังไงนะเลยปิ้งเลยเข้าใจเลยก็เลยเป็นการพูดในใจแต่ว่ามันเป็นหนังะนะเนาะทําเสียงกล้องขึ้นมาหน่อยว่าเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นแหะ เป็นการพูดในใจว่าโอผู้รู้ไม่พูดผู้พูดไม่รู้อเ อ, อเหมือนกับว่าคนเนี้มาเข้าใจลึกซึ้งต่อเมื่อเห็นอุ้ยเคอเนี่ยได้แสดงออกถึงความเข้าใจว่ารู้แจ้งในธรรมไอ้คุณผู้หญิงคนนั้นก็เลยว่าโอผู้รู้ไม่พูดผู้พูดไม่รู้เข้าใจลึกซึ้งมากเออเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์ถามเนี่ยเห็นไหมล่ะอาจารย์เนี่ยเขาไม่ได้คุยเรื่องอื่นแล้ว ก็เอาเรื่องธรรมเอาแก่นกันเลยปรากฏว่าพออุ้ยเคยไม่พูดอาจารย์ก็เลยยอมรับเลยว่าคนเนี้เข้าถึงธรรมจริงๆเออเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยเราจะคุยแบบไหนละ่ะถ้าคุยแบบโลกก็ต้องคุยแบบโลกแต่ถ้าคุยแบบโลกสักพักหนึ่งอาจารย์คู่สนทนาเขาวกมาเรื่องธรรมเราก็ต้องตามให้ทันว่าอา่านี่มาเรื่องธรรมเราก็ต้องแบบไปในทองธรรมะออย่างของโยมเมื่อกี้เนาะเห็นไหมโยมก็ก็พูดภาษาแบบภาษาที่ก็ภาษาที่แบบก็แบบโลกโลกกันเนาะ แต่หลวงพ่อเนี่ตอนนี้มันเป็นช่วงมงสนธนาธรรมเพื่อออกจากทุกข์ในปัจจุบันน่ะหลวงพ่อก็วกเลย <Okay. S 1> ว่า <c oughs> อ๋อเห็นไหมยังมีตัวตนยังมีตัวตน่่คะะจแต่ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บให้รู้ได้ทันว่าอ๋อเออมันมีตัวตนจริงแล้วก็พลิกเปลี่ยนมาว่าอ๋อเมื่อกี้โอเคมันหลงเนี่เพราะว่าเราพูดแบบโลกไนงะแต่พอถูกทักปับ๊บอ๋อไอที่พูดนี้จริงๆมันก็คือสังขาร น, นี่นาะเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับมันไม่ใช่ตัวตนอ่าพอไม่ใช่ตัวตนปับ๊บตรงนี้มันวางแล้ว มันวางแล้วก็เปลี่ยนการเจ้าค่ะเสว่างสวัยเลยทีเนี้ยเสว่างสวัยไปถึงดาวอังคารเลยเจ้าค่ะเด็กเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเนาะเข้าใจเจ้าค่ะจะเจ้าใจเพิ่มขึ้นสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณท่านหลวงพ่อมากๆเจ้าค่ะก็คิดเข้าใจด้วยแล้วก็แบบเหมือนแบบฟังไปก็อืแบบได้ได้เก็ตอะไรเพิ่มขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะใช่ใเพราะว่าที่ ที่พูดธรรมะในห้องนี้เนี่ ย, ยถึงคนก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นธรรมะปัจจุบันแล้วก็เพื่ อ, อการปล่อยวางรู้เท่าทันเนาะรู้เท่าทัน <_ an> ในคำที่พูดรู้เท่าทัน <_ an> ในสิ่งที่คิดรู้เท่าทันในสิ่งที่กำลังกระทําว่าสิ่งที่พูดก็ดีนะมันเป็นสิ่งเกิดสิ่งที่ที่คิดมันก็เป็นสิ่งเกิดสิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยทำเนี่ยมีการกระทาทางกายทางอะไรต่างๆนี้เนาะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดแต่ธรรมะที่ ที่พ้นไปจากสิ่งที่เกิดก็มีสิ่งเดียวเท่านั้นคือธรรมะที่ไม่เกิดมันเป็นธรรมะอีกประเภทหนึ่งนะเพราะฉะนั้นให้รู้เท่าทันว่าปัจจุบันเนี่ยความคิดเกิดการกระทําเกิดหรือการพูดเกิดแล้วก็ให้เข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นสังขารอย่าได้พึงหลงยึดถือหรือว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราถ้ารู้เท่าทันอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีประสบการณ์แล้วก็จะเร็วต่อการรู้สิ่งเกิดดับแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ทําให้ไม่เนิ่นช้าในการปฏิบัติธรรม มันจะพ้นทุกในปัจจุบันชาตินี้ได้ไง เ <d ise> <voice> จ้าค่ะกราบกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยเจ้าค่ะ <cera> เพราะว่าตอนที่หลวงพ่เอเปิดห้องคุยตอนแรกๆตอนนั้นก็ถ้าหลวงพ่อจําได้ก็จะโยมก็จะเป็นคนที่มาคุยกับหลวงพ่อแล้วก็จะบอกหลวงพ่อตลอดว่าโยมงงโยมงงแล้วก <_ S 1> <d ise> <ships> ็แล้วก็โยมก็แบบอืก็พูดตามความจริงตอนนั้นว่าโยมก็งงงงงแล้วก็ก็คือดีใจที่หลวงพ่อแบบเมตตาตลอดเจ้าค่ะ ก็งงกันหมดแหละครั้งแรกอ่ะเพราะว่าคือคนมันเพิ่งคุยกันเนาะแล้วก็ไม่เคยแบบไม่เคยเหมือนกับว่าไม่รู้วัตถุประสงค์ที่หลวงพ่อพูดไยแล้วก็ก็จะงงจะงงแต่ว่าถ้าติดตามฟังแบบด้วยใจที่สงบเนาะฟังแบบให้เปิดใจรับฟังอ่ะเหมือนกับว่าเออหลวงพ่อองค์นี้มาไหมไหนมาแบบไงทําไมพูดไม่เหมือนคนอื่นเนี่ย เดี๋ยวเดยวมันก็จะจับทางได้ว่า ม, มันไปแนวนี้นี่นะไม่แต่โยมแต่โยมชอบมากนะเจ้าคะ่ะถึงจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าโยมก็นึกถึงเ ค, เคยมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่โยมฟังอะเจ้าคะ่ะ ท่านก็จะเทศเล่าถึงเรื่องทั้งคราวอะไรอย่างเงี้ยว่าเวลาที่เราฟังหรือสนทนาธรรมหรือหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คือให้ถึงจะงงหรือถึงจะไม่เข้าใจหรือถึงจะมีความรู้สึกว่าเออโอ้อะอะไรแบบเป็นเหมือนกับสงสัยวิจิกิจฉาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าให้เราแบบฟังด้วยใจที่แบบใสที่ใจที่บริสุทธิ์ใจที่เป็นกุศลเงี้ยค่ะาอาจจะไม่เข้าใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซนตแต่ว่า ก็เปิดใจรับฟังด้วยด้วยด้วยความด้วยความตั้งใจด้วยด้วยจิตที่ที่ดีอ่ะโยมก็มั่นใจว่ามันก็เดี๋ยวก็จะค่อยค่อยพัฒนาไปเรื่อยได้เจ้าค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเจ้าค่ะอ่อสาธุนะแล้วอย่าลืมติดตามฟังซ้ำด้วยนะมีประโยชน์ได้ได้เจ้าค่ะโยมมีไลน์ Open c h ช t อ่าหลงพ่อแล้วเจ้าค่ะเออค่ะกราบนามัสการลาหลวงพ่อนะเจ้าค่ะลดีค่ะสาธุสาธุ